M.P. 3สแผ่นที่37ที่พวกเราจะฟังต่อไปนี้เป็น M.P. 3สแผ่นที่37ให้กติธรรมหัวข้อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วกติธรรมคำนี้เป็นคำที่ตายตัวเป็นธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาแต่พารละชนทั้งหลาย บางคนเขาก็เคยพูดว่าเมื่อเขาทำชั่วแล้วเขาได้ดีมีถมไปแต่คนที่ทำดีกลับถูกติฉินดินทาก็มีมากต่อมากแต่ทำไมไม่เป็นแสแตนดานว่าเหมือนกับจับไฟแล้วทำไมไม่ร้อนทีเดียวแต่เขาทำไมได้ดีแต่บางคนกลับทำชั่วแล้วทำไมจึงได้ดี อันนี้คือมีการถกเถียงในชุมชนคนที่ยังมีกิเลสแต่พระพุทธเจ้าทำคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านยืนยันร้อยทั้งร้อยบอกว่าทำดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วแต่คนทําชั่วกลับได้ดีอันนั้นแปลว่าผู้ทําชั่วกลับได้ดีนั้นคือเป็นความดีที่จอมปลอมเป็นความดีที่ไม่ภาคภูมิใจ ถ้าหาว่าถามตัวเองถามขึ้นมาเมื่ อ, อไรว่าเมื่อข้าพเจ้าได้คุณงามความดีมาคราวนี้ได้มาด้วยอะไรได้มาด้วยความความชั่วหรือ ว, ว่าความหอกลวงหรือความไม่ถูกต้องตอนเองถึงจะได้มาแล้วเราก็ไม่สบายใจถึงจะถึงจะพูดว่าสบายใจแต่ว่าชวนลึกแล้วมันจะหาความสุขไม่ได้ ความสุขจะไม่ได้ตรงกันข้ามกับที่พวกเราได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงเริ่มได้มาด้วยความบริสุทธิ์ได้มาด้วยความถูกต้องถ้าว่าพวกเราได้มาด้วยความถูกต้องอย่างนี้แล้วพวกเราก็เชิดหน้าชตตาไปนสถานที่ไดเราพร้อมที่จะจินดีพูดให้แก่ใครใฟังได้พร้อมที่จะต่อไปภายภาคหน้า เราก็พร้อมที่จะพูดอวดลูกหลานได้ว่าเงินทุกบาททุกส ต, ตังค์เกียรติยศชื่อเสียงของของปู่ของย่าเนี่ยไม่เคยมีคำ ว, ว่าด่างพร้อยมาด้วยความบริสุทธิ์มาด้วยความดีจริงๆเพราะฉะนั้นความดีตัวนี้คิดดีทำดีพูดดีตัวนี้มันจะเป็นเครื่องหมายของคนดีตลอดไปแต่ถ้า่าพวกเรา ได้มาแบบความทำความชั่วแลวได้ดีมาอันนั้นแปลว่าเราพูดอวดใครไม่ได้เราขืนพูดออกไปคนที่มีคุณธรรมศีลธรรมมีจริยธรรมที่เป็นปรลาดถึงจะไม่ตาหนิต่อหน้าเขาก็คิดนั่นแหละโอ้ตะกูลนี้คนคนนี้ตะกูลนี้ชั่วไปทำความชั่วมาแล้วก็ได้ได้ดีและก้เป็นที่ตาหนิของ บันดิตนักปราชญ์ท่านผู้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมในใจเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านถ้าหักใครก็ตามทำคุณงามความดีทำดีคิดดีทำดีพูดดีพวกนั้นจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความพาสุขเพราะนั้นขอแนะนำเอ็มพีสามแผ่นที่สามสิบเจ็ดนี้ให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายศึกษาล้วนแล้วจะเป็นแนะนาไปในทางที่